ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ <around> อิงลิชเชลล์ยูโอกาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบเอฟเอ็มความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์สต์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนะจินสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ รายการของเราออกอากาศทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธ ท, ที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้นะคะรายการ English Radio ของเรานะคะนั่นเคล็ดลับการใช้ภาษากรีกนะคะมาฝากท่านผูงพ้ฟังกันค่ะ ช่วงแรกนะคะจะเป็นการนำเสนอนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า big นะคะที่แปลว่าใหญ่เนี่ยค่ะ big จริงๆแล้วนะคะยังมีคำอื่นอีกนะคะที่สื่อถึงความใหญ่โตมโหฬาร น, นะคะซึ่งจะมีคำว่าอะไรนั้นติดตามรับฟังกันเลยค่ะค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะที่อาจจะใช้แทนคำว่า big ได้นะคะคือคำว่า vast นะคะ vast v-a-s-t นะคะแปลว่ากว้างใหญ่ค่ะ แปลว่าภัยสารก็ได้หรือมากมายก็ได้นะคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The Sahara is a vast desert อีกหนึ่งครั้งนะคะ The Sahara is a vast desert นะคะทะเลทรายซาฮาราเนี่ยกว้างใหญ่ภัยสาร ค, ค่ะครับตัวอย่างต่อมานะคะ They crossed the vast continent on foot อีกหนึ่งครั้งนะคะ They crossed the vast continent on foot ประโยคนี้มีความหมายว่าพวกเขาเดินข้ามทวีปที่กว้างใหญ่ด้วยเท้าของพวกเขาเองค่ะค่ะคำต่อมานะคะคำว่า large large นะคะคำนี้เราก็ชินนะคะคุ้นชินนะคะคำว่า large แปลว่าโตนะคะสูงนะคะหรือกว้างขวางก็ได้ตัวอย่างประโยคนะคะ he has a large family he has a large family เขาเนี่ยมีครอบครัวใหญ่ค่ะ ตัวอย่างต่อมาค่ะ he has a large number of books he has a large number of books ประโยคนี้มีความหมายว่าเขามีหนังสือเป็นจำนวนมากค่ะค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวกบข้องกับคำว่าใหญ่หรือ big นะคะอีกหนึ่งคำนะ ค, ะคำว่า hill hill นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่ามนหึอมานะคะใหญ่เบ้อเร่เลยนะคะมากมายก็ได้ใหญ่โตได้นะคะตัวอย่างค่ะ I made a hill mistake I need a huge mistake. ฉันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาใหญ่ค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ The concert was a huge success. อีกหนึ่งครั้งนะคะ The concert was a huge success. ประโยคนี้มีความหมายว่างานคอนเสิร์ตประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะค่ะอีกหนึ่งคำนะคะ gigantic gigantic นะคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่ามากมายหรือว่าเหมือนยักษ์ค่ะ เห็นเส้นตัวอย่างนะคะใช้ทันต์อิควอดอฟจไกนติกไซส์อีกครั้งนะคะใช้ทันต์อิควอดอฟจไกนติกไซส์นะคะเลือดไททานิกเนี่ยมีขนาดใหญ่โตมากค่ะนะคะตัวอย่างต่อมานะคะ a gigantic bird came flying toward him a gigantic bird came flying toward him ประโยคนี้มีความหมายว่านกตัวใหญ่บินตรงมาหาเขาค่ะ ค่ะคำศัพท์ที่แปลว่าใหญ่ได้อีกคำหนึ่งนะคะ enormous enormous นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่ามาหาศาลก็ได้นะคะมหึอมาก็ได้หรือมหโหฬาร น, นะคะมากมายนะคะหรือใหญ่โตได้นะคะประโยคตัวอย่างของคำว่า enormous นะคะ he lives in an enormous house หนึ่งครั้งนะคะ he lives in an enormous house เขาเนี่ยอยู่บ้านหลังใหญ่มหโหฬารค่ะ ตัว อ, อย่างต่อมาของคำว่า enormous นะคะ that plane is enormous that plane is enormous แปลว่าเครื่องบินลำนั้นใหญ่มากค่ะค่ะคำที่ใหญ่โตโมโหาราหรือมหิมาอีกหนึ่งคำนะคะนะคะคือคำว่า tremendous tremendous นะคะเป็นคำคนสับค่ะแปลว่ามากมายนะคะเยอะแยะนะคะมหิมาใหญ่โตค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะ it will be a tremendous banquet อีกหนึ่งครั้งนะคะ it will be a tremendous banquet นะคะความหมายก็คือมันจะเป็นมื้ออาหารที่อลังการมากค่ะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ thunderstorm releases tremendous amounts of energy อีกหนึ่งครั้งนะคะ Thunderstorms r e l e a s e マシーフマシーフ o u ーフマ o ーフマシーフマシーフマシーフマシーีマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーาマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーフ่シーフマシーフマシーフマシーフマシーフマシーเマシーフマシーフマシーフマシーフะシーフマシーフマシーフマシーフマシフマシフマシフマシフマシフマシフマシフマシフマシフマシフマ Attics coats of coarse dark hair นะคะความหมายก็คือร่างกายที่ใหญ่โตวของกอริล่านั้นจะปกคลุมไปด้วยขนสีดำที่หนาค่ะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ The road was blocked by a massive boulder The road was blocked by a massive boulder แปลว่าถนนถูกกีดขวางด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ที่ตกมาจากภูเขาก้อนใหญ่ค่ะ ค่ะเรื่องต่อมาที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจะเป็นคำสัตว์ข่าวและสำนวนนะคะที่ใช้ในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวค่ะค่ะสำนวนที่เราอาจจะได้ยินนะคะ to go a half day tour นะคะ to go a half day tour สำนวนนี้นะคะแปลว่าการท่องเที่ยวครึ่งวันค่ะค่ะแต่ถ้าการท่องเที่ยวเต็มวันนะคะเราก็จะพูดว่า to go a full day tourto go a full day tour ถ้าเราอยากจะนำเสนอนะะว่าเรา participar ท่องเที่ยวนะคะว่าเรามีการท่องเที่ยวที่หน้าตื่นเต้นไว้ให้กับคุณนะคะเราก็จะบอกกับลูกทั่วของเราว่า We offer many exciting guided tours We offer many exciting guided tours เรามีการท่องเที่ยวที่หน้าตื่นเต้นไว้ให้คุณคะ่ะค่ะประโยคติเกิด� Swami milligram การท่องเที่ยวนะคะคุณต้องการชมอะไรนะคะในจงหวัดของแกนนนตน ت ัวอย่างนะคะเราก็จะใชประโยควา What would What would house house CONCANN? CONCANN? to to you you like like in in pick pick see see จะอาとามารับคุณที่โรงแรมนะคะเราก็เปลี่ยนเป็น เป็นคำศัพท์คำว่าโรงแรมค่ะเราก็ใช้ประโยคใหม่ว่า I can pick you up at your hotel I can pick you up at your hotel ค่ะถ้าเราต้องการเสนอนะคะเอ่ยปากถามไปว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคุณอยากจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆไหมเราก็จะใช้คำถามนะคะว่า Would you like to go sightseeing tomorrow morning อีกหนึ่งครั้งนะคะ Would you like to go sightseeing tomorrow morning ทรุงนี้เช้าคุณต้องการจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆไหมั้ยค ะ, คะถ้าเราจะนะคะจะพูดว่าคุณเนี่ยต้องการจะไปเที่ยวชมพี่พิตรภัณฑ์ไหมั้ยนะคะเราก็จะใช้ประโยคนะคะว่า Would you like to visit the museum? Would you like to visit the museum? ประโยคตามมานะคะ We can go to visit tourist attractions We can go to visit tourist attractions。ประโยคนี้แปลว่าพวกเราね、ยสามารถแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ค่ะ。ค่ะ。ประโยคต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะเราจะบอกนะคะว่า、ฉันเนี่ยมั่นใจว่าคุณจะต้องสนุกมากนะคะ。เราจะใช้ประโยคว่า、I'm sure you will enjoy it。หนึ่งครั้งนะคะ、I'm sure you will enjoy it。 ประโยคตอบรับนะคะเมื่อมีใครนะคะพูดกับเราว่าแซงเขียว very much นะคะหรือพูดว่าแซงสล็อตนะคะเราก็จะโต้อตอบกลับนะคะว่า don't mention it dodge mention it นะคะซึ่งมีความใหมายว่าด้วยความยินดีนั่นเองค่ะค่ะและนะคะที่จะพูดได้นะคะเมื่อเวลาตอบรับนะคะผู้พูดนะคะที่ขอบคุณเรานะคะเราอาจจะใช้คำว่า you're welcome you're welcome ค่ะหรือจะอีกหนึ่งสำนวนก็ได้นะคะ with pleasure with pleasure ก็มีความหมายว่าด้วยความยินดีนั่นเองค่ะค่ะหรืออีกจะใช้ นะคะ It's my pleasure นะคะ It's my pleasure คือใช้ตอบรับคำขอบคุณได้ค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก worldwideweb.thestranslation.com นะคะและอีกหนึ่งข้อมูลจาก worldwideweb. ภาษาชเวตติโฟลด์ .com คะ่ะ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 ค่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะเรานำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะเรื่องที่เรานำมาฝากในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเรากำลังโกรธเนี่ยหรือกำลังเหมือนฉุนอยู่นะคะเราเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างนะคะห่านงนอกจากประโยคที่ว่า I'm getting angry นะคะ I'm getting angry ซึ่งเรามักจะใช้กันอยู่เป็นประจำแล้วนะคะในความหมายที่ว่านี่ฉันกำลังโกรธอยู่นะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีวิธีบอกแบบอื่นๆได้อีกค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้คำนวณ ว, ว่า get one scold get one scold คำนวณนี้นะคะจะมีความหมายว่าโกรธนั่นเองค่ะเมื่อเวลาที่เราเนี่ย รู้สึกหมุดกิจรำคัญใจนะคะรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ It really gets my gold when people push in front of me in a queue อีกหนึ่งครั้งนะคะ It really gets my gold when people push in front of me in a queue แปลว่าฉันเนี่ยโกรดมากเลยเวลาที่มีคนแสงหน้าตอนฉันต่อคิ้วค่ะ ค่ะเวลาที่เราโกรธนะคะเราอาจจะใช้นะคะประโยคหรือสำนวนต ร, ตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่น to see red นะคะ to see red นะคะ to see red เนี่ยสำนวนนี้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังโกรธมากเลยนะคะหรืองุดหงิดมากเลยค่ะมันจะเหมือนเวลาที่สู้กับวัวกระทริงนะคะที่เวลาเห็นผ้าสีแดงๆเราก็คือต้องวิ่งเข้าใส่เลยแบบนั้นนะคะ to see red นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันนะคะ I didn't mean to punch him. I just saw red. I didn't mean to punch him. I just saw red. I d n t mean to punch him. I just saw red. I didn't mean to punch h i ่ I didn't mean to punch him. I d i า n t mean to punch him. I didn't mean to punch him. I just r o p t a n o punch h t o p t a n o punch t o t h r o w a wobbly. To throw a wobbly. สำนวนนี้หมายถึงการที่ใครสักคนอยู่ๆก็รู้สึกโกรธขึ้นมาค่ะรู้สึกเบี่ยงเลยทันทีนะคะสำนวนนี้เนี่ยพบใช้บ่อยนะคะในกลุ่มชาวอังกฤษและออสเตรเลียค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ He threw a wobbly when he couldn't have his way อีกหนึ่งครั้งนะคะ He threw a wobbly เว้นที่คือ Dunhav his way แปลว่าเขาเนี่ยหงุดหงิดมากเลยท่านไม่ได้ดั่งใจคะ่ะค่ะสำนวนนะคะที่ใช้เวลาโกรธอีกหนึ่งสำนวนนะคะ getting on my nerves getting on my nerves นะคะสำนวนนี้นะคะก็คือเนี่ยเวลาที่มีใครทำอะไรให้รบ ก, กวนนะคะหรือทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอาจจะไม่สบายใจนะคะไม่ชอบนะคะเดีแล๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Hey, Hey, you're you getting on my nerves one else you're you playing my you playing my will will getting stop on no stop sogenan gaz nerves はい。 การทำให้ใครเนี่ยคะรู้สึกดุเดือดขึ้นมานั่นเองค่ะก็คือทำให้เราเนี่ยโกรธมากโมโหมากนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ When I saw the rude way she talk it made my blood boil อีกหนึ่งครั้งนะคะ When I saw the rude way she talk ประโยคนี้นะคะจะหมายถึง พอฉันเห็นเธอเนี่ยพูดคำหยาบในแบบนั้นในลักษณะนั้นนะคะอิชเมธไม่บลัดบอยนะคะมันก็จะทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกโมโหมากเลยค่ะค่ะสำนวนที่แปลว่าโกรธนะคะ almost burst about vessels นะคะหรือใช้คำว่า burst about vessel นะคะถ้าแปลตรงตัวนะคะจะหมายถึงเกือบทำให้เส้นเลือดเนี่ยแตกระเบิดไปเลยนะคะหมายถึงว่าทำมาให้โกรธมากมากเลยนั่นเองนะคะแต่แล้วลองมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ My sister nearly burst a bus whistle when I crashed her car อีกหนึ่งครั้งนะคะ My sister nearly burst a bus whistle When I catch her car นะคะพี่สาวของฉันเนี่ยโกรธมากเลยตอนที่ฉันเนี่ยเอารถเธอเนี่ยไปขับชนมานะ่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนนะคะที่ใชแสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดนะคะแทนที่เราจะใชแต่ angry อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะคะเราก็ลองปรับเปลี่ยนมาใชสำนวนต่างๆเหล่านี้ที่เราสองคนนำมาเสนอกันดูนะคะจะได มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเรื่องสุดท้ายที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะระหว่างนะคะคำศัพท์นะคะระหว่างคำว่าเพนต์นะคะคำว่าอีล์คำว่าเ、e、อ็กนะคะหรือคำว่า sick hurt นะคะที่แปลว่าเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยนะคะเราใช้ปากกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกั น, นะคะ่ะ ค่ะเรามาดูกันที่คู่แรกกันก่อนนะคะจะเป็นคำว่าเพนกับคำว่าเอ็กนะคะเอชเอชอี、C H e、นะคะทั้งสองคำนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะใช้เป็นคำนามนะคะซึ่งแปลว่าความรู้สึกที่ไม่สบายค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะแต่คำว่าเพนกับคำว่าเอ็กสองคำนี้เนี่ยมีการใช้ที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าคำว่าเพนเนี่ย ใช้กับความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่านะคะประเภทยากที่จะทนได้ค่ะแต่คำว่าเอ็กเนี่ยใช้บอกถึงความเจ็บปวดที่ไม่ได้รุนแรงหนักนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะเพื่อความชัดเจนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยพูดว่า Doctor I have a severe back pain Doctor I have a severe back pain คนไข่อีกคนหนึ่งนะคะจะพูดว่า Doctor I've got a severe backache Doctor I've got a severe backache ซึ่งแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะเข้ามาตรวจเราก่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะฟังว่า back pain เนี่ยอาการดูหน้าเป็นห่วงกว่าคำว่า backache นั่นเองค่ะค่ะ อีกหนึ่งคู่นะคะคำว่า sick and ill นะคะทั้งสองคำนี้นะคะปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ Josh didn't come in last week because he was ill หรือเราอาจจะแต่งประโยคเป็น จอร์ดเซ็นคัมใน last week because he was sick นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะจะสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะที่แปลว่าป่วยนะคะในภาษาอังกฤษแบบบริการเนี่ยนะคะสองคำนี้เนี่ยมีความหมายแทบไม่ต่างกันเลยนะคะก็คือหมายถึงว่าป่วยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะจากประโยคก็คือจอร์ดเนี่ยไม่ได้มาทำงานอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเขาป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่า he was ill ก็ได้ he was sick ก็ได้นะคะ ส่วนภาษาอังกฤษที่ใช้ในเกาะ อ, อังกฤษนะคะคำว่า sick เนี่ยจะมีความหมายค่อนข้างเฉพาะนะคะมันอาจจะหมายถึงอาการหรือความรู้สึกที่กำลังจะอาเจียนนะคะหรือหรือใช้คำว่า vomit นะคะที่แปลว่าอาเจียนส่วน ill、e、เนี่ยอาจจะใช้ในอาการปลอ่วยทั่วไปได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ I think I'm going to be sick นะคะก็จะมีความหมายเหมือนกับ นะคะประโยคที่ว่า I think I'm going to be you จริงจริงแล้วสองคำนี้ก็มีความหมายใกล้เคียงกันค่ะค่ะคำต่อมานะคะคือคำว่า hurt นะคะ hurt คำคำนี้นะคะต่างจากคำอื่นเล็กน้อยค่ะโดยมากนะคะมักจะใช้เป็นคำกริยานะคะหรือคำคุณศัพท์ adjective ก็ได้ค่ะคำนี้มีความแตกต่างจากคำว่า pain และคำว่า ache นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ hurt ความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากสิ่งนอกตัวเรานะคะเช่น be careful you might hurt yourself if you fall from the tree นะคะซึ่ง hurt ในบริบทนี้เนี่ยจะเป็นคำกริยานะคะแปลว่าระวังนะคุณอาจจะเจ็บตัวได้ค่ะถ้าเกิดว่าตกลงมาจากต้นไม้ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ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 ข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์นะคะ www.web24.com ค่ะค่ะวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการ English Radio ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความที 89.5 เมกะเฮิร์ตคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต